เรากำลังศึกษาเรากำลังปฏิบัติก็ให้ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราทำเพื่อจะสะดวกในการปฏิบัติจะต้องส่มหาจะต้องลองเลสงสงสัยตัวปฏิบัติทำนี่มันเข้าถึงเนื้อถึงตัวทำด้วยกายทำด้วยใจของเราเช่นเราจเจริญสติเนี่ย ก็เท่าถึงเข้าถึงกายเข้าถึง จ, จิตใจเข้าถึงทุกอย่างไปรู้ทุกอย่างรูปขับได้ทุกอย่างถ้ามันผิดก็ทำให้ถูกได้ทุกอย่างในกายในใจเร า, าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ลึกลับมันลึกซึ้งมันเห็นได้มันทำได้ ถ้าลึกลับมันมันขั้งดึงตำบันจะต้องกลัวโน่นกลัวนี่คิดไปต่างๆนานากลัวควาล่องกลัว อ, อะไรต่างมากมายความจริงแล้วมันเกิดอยู่ที่ตัวเราจะดีจะชัว่วจะผิดจะถูกจะสุขจะทุกข์ ก็ต้องดูจากตัวเรานี่ตัวศาสนาจะเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาจะเป็นบุญเป็นกุศลจะเป็นภูมิภพต่างๆก็คืออยู่ในชีวิตจิตใจของเราที่ยังเป็นๆอยู่นี่ที่มันทําชั่วได้ที่มันทําดีได้แล้วมันก็ละความชั่วได้มันก็ทําความดีได้เนี่คือตัวปฏิบัติธรรม มันลึกซ <olo i> ึ่งเมื่อวันหลงเราก็รู้สึกตัวซะอัลึกซึ่งแบบนี้เมื่อวันทุกเราก็รู้สึกตัวซะมันก็ลึกซึ่งแบบนี้เมื่อวันไม่รู้เราก็สร้างความรู้สึกตัวก็ทําได้อย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้ให้ผลได้อย่างนี้ในตัวปฏิบัติแล้วก็ ต้าเป็นปรมาทก็จิตเจตสิกรูปนิพพานก็คือเนี่ยเราจิตก็คือจิตเนี่ยในสติเห็นจิตเนี่ยเจตสิกก็คือมันคิดมันไปหลงไปไหลกับอะไรแล้วก็มีสติเห็นมันเนี่ยรูป ก, ก็คือรูปที่มันนั่งอยู่นี่ที่มีสัญญาลิกิตใจ ที่มันเป็นอะไรไปก็ได้มันล้อนมันหนาวเพามันปวดมันเมื่อยมันหดมันโตกเนี่ยเราก็โลกคำมันอยู่เนี่ยจับเมื่อยจับตัวมันอยู่นี่เห็นมันอยู่เนี่ยเมื่อมันแสดงออกนิพพานก็คือเราก็หยุดมันได้เนี่ยมันล่อนเราก็เย็นได้มันทุกข์เราก็เปลี่ยนไม่ทุกข์ได้มันดับได้ ดับกันได้หยุดมันได้เหมือนเราไมีเครื่องใชยไม่สอยเราเดินเราก็หยุดการเดินเรานั่งเราก็ลุกได้เราขับรถมันวิ่งไปเราก็หยุดมันได้เรากลับมันได้ไปข้างหน้าคืนข้างหลังได้มันจิงใช้ได้ชีวิตเราเราก็ต้องใช้ได้แบบนี้ เรียกว่านิพพานทำนั้นไม่มีนิพพานมันจะไปจุดลงตรงไหนไม่ได้ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นมันก็ต้องมีการลงตัวที่มันใช้ได้ <c oughs> แต่เป็นอย่างไฟเนี่ยแม้มันจะล่าไหมบ้านไมหมเมื่อมันก็ต้องดับได้คิดเจปสิกรูปนิพพานเราลูปคาอยู่ที่เป็นปรมัติต ไม่ใช่ในยายนอกจากเมื่อจากตัวหลอกปอนั้นมันเป็นสมมติไม่ใช่ปรมัติรลปรมัติรมัเคยต้องทำได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นได้ให้เกิดการเห็นได้ มันจึงจะชัดเจนแม่นยำไปเห็นกับตาไปทำกับมือมาแล้วมันจึงจะเป็นตัวปฏิบัติมันจึงจะเป็นตัวศ า, ศาสนาศาสนาไม่ใช่เพิ่มขวัญไม่ใช่คำนวณเหมือนตักกะหรืออะไร ค, คิดอ่านคํานึคนงคำนวณคงจะเป็นอย่างนั่นคงจะเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่ตัวปฏิบัติมันก็ต้องถึงเนื่อถึงตัวบ้างมันยังจะมั่นใจใายได้จับดูบ้างสัมผัสดูบ้างนะเราเจริญสติเนี่ยสัมผัสกับสติดูเอาคายไปสัมผัสดูไปรู้สึกตัว <c oughs> มันรู้สึกตัวกับกายมันจะเป็นอย่างไรมันเห็นแล้วมันรู้แล้วนะแล้วมันจะเห็นอันเดิมอันอีกที่มันจะเกิดขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวข้องกับมันอย่างไรมันมีอันถูกทั้งหมดสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยไม่ใช่มันมีผิดอย่างเดียวมันก็มีถูกมันมีทุกข์ก็ต้องมีไม่ทุกข์ มันมีเกิ ด, ก, ก, ด, ก, ก, ก, ก, ดก็ต้องมีไม่เกิดมันมีแก่ก็ต้องมีไม่แก่มันมีเก็บก็ต้องมีไม่เก็บมันมีตายก็ต้องมีไม่ตายก็ต้องมัน่นใจอย่างนั้นมองแบบมองแบบทะลุทะลวงอย่างนั้นบ้างไม่ใช่ว่าฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อเราปฏิบัติอยู่ยังไม่ทําได้มันก็ยัง ทำไม่ได้ผมก็ยังจะทําได้อยู่เหมือนพระพุทธเจา้าสิท ธ, ธัตถะเห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นสรรรค์จะต้องมาช่วยไม่ให้คนไม่ไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บ ไ, ไ, ไม่ให้ตายครัง้งทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะทําไหนก็ยังคิดว่าจะทําได้อยู่ถ้าพูดถึงความคิดนะ ในที่สุดก็ทําได้จริงๆในอะไรที่มาของกันเยอะแยะก็ต้องมองแบบทะลุทะลวงแม้มันเกิดกับเราผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมกาลังปฏิบัติธรรมอยู่พอเามันหลงไปเราก็ต้องพยายามทําให้ได้ไม่ให้มันหลงเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวลูกก็มีกําลังตรงนี้บ้างมีความเพียรตรงนี้บ้าง มันจึงจะเป็นการปฏิบัติไม่ใช่ปล่อยตามปล่อยหลงก็หลงไปมันสุขก็ทุกข์ไปมันทุกข์ก็ทุกข์ไปความสุขความทุกข์ใช่เราจนสิ้นเปลืองแล้วก็มันก็ไม่มีอะไร เปืองไปเปล่าๆเปลืองไปกับความสุขเปลืองไปกับความทุกข์เปืองไปกับความโลภความโกรธความหลงชีวิตหราเราก็ต้องไ <c> ม <oughs> ่ฟุ่มเอยแบบนั้นมามารู้สึกตัวอ่าไม่ใช่รับใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเช็นเราใช่ปัจจัยใช้น้ำใช่ไฟใช่ปัจจัยสี่ สิ้นเปลืองบางคนก็สิ้นเปลืองบางคนก็ไม่สิ้นเปลืองตัวปฏิบัติมันทําให้เกิดความพอดีมันถ้เกิดการสํารวมพอดีพอดีนะไม่สิ้นเปลืองอะไรมันโูดอยู่อย่างเดียวมันจะหลงความหลงแบ่งเอาไปหรือมันจะสศกความสุขมาเอาไปหรือมันจะทุกข์ความทุกข์มาเอาไปหรือ มันจะโกรธจะโลภจะหลงความโลภความโกรธควา ม, มลงมาเอาไปหรือจะต้องรับใช้มันอย่างนั้นหรือมันก็ไม่ใช่มันเสียหายรู้สึกตัวไว้เนี่ยมันเป็นการสำรวมถ้าเป็นปาติโมกก็สำรวมถ้าเป็นศีลก็ทำได้แล้วนปกติอยู่ ถ้าเป็นสมาธิก็มั่คนคงไม่งอนแน่นคอนแคลนไม่ไหวไม่ไปไม่ปิวอยู่คงเส้นคงวาอยู่ตรงนี้รู้จักตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยอ้าวสัมผัสกับสินลูปคำสินสมาธิด้วยปัญญาด้วยเห็นมันสุขเห็นมันทุกไม่ปัญญาไม่ได้เข้าประโยชน์ในความสุขไม่ได้เข้าไประ ย, ยู่ในความทุกข์เนี่ยมองอะไมัน แตกฉานบ้างแต่มองแบบมืดแตดด้านมองแบบหมดพลังนักปฏิบัติก็ต้องมีพลังส่วนีนบ้านทำไรกไปอ่อนแอไม่ใช่ความรู้สึกตัวในความให้เราเข้มแข็งมันมีหลักอยู่ ว่ไม่สูตรอยู่มีสิ่งที่ทําได้อยู่มีผู้ทําได้แล้วก็มีเจอาแยะสี่ห้าพันปีมาแล้วผู้ที่ทําได้เรื่องนี้เราจะต้องร้อยอย่างบรรพบุรุษของเราผู้ที่ทํามาแม้แต่ใกล้ๆเราก็ยังมีอยู่ในเราก็ยังมีไม่ใช่คนอื่น ก่ยกับตัวเราเนี่ยก็มีเข้าข้างทางนี้เอาไว้อะไ้กาลังกำลังความเพียรกำลังสติกำลังสมาธมิกำลังปัญญาเสริมไว้เสริมไว้ให้แนวร่วมอย่าไปให้แนวร่วมมันเดินยื่นดาบให้สตูฮัวริ ความโลภ ค, ความโกรธความหลงกิเลสตัณหามันก็แบ่งปันชีวิตรเราไปชีวิตที่ถูกแบ่ง <c oughs> ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เท่าไร่แล้วสี่สิบสามสิบปีสิบปีหกสิบปีมันคืออะไรลองมา ใช้ชีวิตส่วนนี่ลองดูรู้สึกตัวดูรู้สึกตัวการรู้สึกตัวมันเกาะกู้มันคืนมันให้คืนธรรมชาติมืนก็บคืนป่าให้แผ่นดินมันคืนมันกลับมาปฏิบัติคือมันกลับมามันไม่ไปไหนมันกลับมาพอลูบสึกตัวมาลูบสึกตัวนะ่ ในตัวปฏิบัติแล้วก็เราก็มีหลักมีเกณฑ์ม่สูตรอยู่ไม่ใช่เพิ่มฝันไม่ใช่งมงายไม่ใช่มาเชื่อใครค่อยตามใครมันเห็นกับตาเราตาในเรา มันทำกับมือเรามันทํากับกายกับใจเราไม่ตามใครจะเชื่อต้องทําดูก่อนจะไม่เชื่อก็ต้องทําดูก่อนอย่าพุดไปเอาความเชื่ออย่าพุดไปเอาความไม่เชื่อทําดูก่อนพอทําทได้แล้วโอ้มันเป็นอย่างไงเออศรัทธาศรัทธาในการกระทําที่มันเป็นผลอย่างนี้ ทำอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ถ้าไม่ทําอย่างนี้มันไม่เกิดอย่างนี้ศรัทธาศรัทธาสัมปยุตศรัทธาก้าวหน้าแต่ในศรัทธาวิปยุตไว้บ้างเชื่อในพระธรรมคําสอนเชื่อครูอาจารย์เชื่อบุญบาตทําดีก็ดีทําชั่วก็ชั่วเป็นทุนไว้ แล้วก็มาสร้างให้มันมากขึ้นให้เกิดสัมปยุทธ์ขึ้นมาแนวแน่ไม่ถอยหลังตัวปฏิบัติวันได้แล้วมันทำมันทำแล้วมันได้สัมผัส ด, ดูอย่างนี้ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวควเห็นกายไม่ใช่ความรู้สึกตัว ก, กว ง, งงงสาวสาวไป ความรู้สุดตัวก็สัมผัสสิ่งที่มันเห็นประจัก์แก้งในสิ่งที่มันมีมันเกิดขึ้นมาของไม่กิงมันก็เห็นของกิงมันก็เห็นของที่มีมันก็เห็นของที่ไม่มีมันก็เห็นนวยเรียกว่าประจั์ไม่ใช่รู้เลื่อนลอยเอามือเคลื่อนไหวมันก็รู้ได้เอาเคลื่อนไหวมือรู้สึกมืออยู่ดีๆเอาโต้งลงก็ุดออกมาทำความคิ ด, ค, ดคิดไปโน่นว่า อ้าวเเห็นมันฮะแล้วก็กลับมามันมีทั้งหลงมีทั้งรู้สร้างความรู้มันก็เห็นความหลงสร้างความรู้มันเห็นความสุขมันเห็นความทุกข์สร้างความรู้มันเห็นกิเลสตัณหาเห็นความโง่เาหงาเหงานอนนี่มันค่ายๆกบว่ามันเป็นธรรมเลเป็นตักกะศิลา แหล่งการศึกษาที่เราเรียนรู้ดูี่พระพุทธเจ้าของเราเพียงแต่นั่งอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพลล้วอะไรแปดหมื่นสี่พันอย่างไม่ใช่อยู่ในอาคาราเรียนในลั่ในหวังที่ไหนอยู่ใต้ต้นไม้เค่นั้นเอง แมันก็เห็นทุกอย่างของชีวิตเราเป็นสุขอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรจนจบเรียนจบตรงนี้ได้ทันทีเมื่อใต้ต้นโพเรียนจบแล้วชาติสิ้นแล้วภพ ม, มจันยู่จบแล้วคิดอื่นที่จะต้องทําไม่มีอีกแล้ ว, อลวเอาเขาของลู่ไปสอนดูมีคนลู่ตามหรือว่าสัมมาสัมพุทธโธ ปฏิบัติได้ให้ผลได้ทรงส่องสอนสาวกทั้งหลายเคลนนี้เป็นส่วนมากสาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากรู้แล้วเป็นยังไง ร, รู้แล้วจบกันทุกทายหมดคิดหมดไผ่ชีวิตลงตัวอเคยหลงก็เคยไม่ไม่หลงทุกข์ก็ไม่ทุกข์มันก็อยู่ตรงนี้มันก็จบตรงนี้ จบตรงที่กายอันควงศอกยาววานาคืบมีสติสมชัญญาเห็นกายเห็นอะไรต่างๆแม่จะเป็นกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดผ่านตรงนี้หมดผ่านสายตาแห่งความรู้สึกตัวจนได้ตอบว่ารู้แล้วรู้แล้วความทุกข์ก็รู้แล้ว พอไม่เที่ยงก็รู้แล้วพอไม่ใช่ตัวตนก็รู้แล้วเสียงเรานันก็หลอกไม่ได้อีกมันก็จบลงไปสิ้นกันสิ้นพบสิ้นชาติกันในความทุกข์สิ้นพบสิ้นชาติในความหลงอ่าแล้วเราจะเป็นยังไงว่าไม่เป็นอะไรเราเลยไม่เป็นอะไรครับว่าไร <c oughs> ในตัวปฏิบัติพรหมไวจันปาติโมกรู้สึกตัวถ้ามีสติลองดูเขาก็สมรวมในปาติโมกคนไม่สติล้าก็เป็นศีลแหละคนไม่สติก็เป็น ส, นน ม, ส, านสมาธิแล้วเป็นปัญญาอยู่ในตัวร็จคนไม่สติมัน มันมาเป็นพวงๆแต่เป็นการสํารวมมาในพระปฏิโมกข์เขาก็ไม่ต้องไปท่องไปอยู่ในโบสถ์ไม่ใช่เป็นกิริยาผลม่เสติไม่ใช่กิริยาถ้าเป็นกิริยาก็เป็นกิริยาเฉยๆไม่เป็นกรรมแต่ จ, จะเดินไป จ, จะเหยียบมุสเหยียบ ศัตร์่างมันเป็นกิริยาไม่ได้เป็นกรรมไม่มีเกตนาเมื่อไรไปคิดเกตนาที่จะไปว่าอะไรครับอะไรทาอะไรนั่นเป็นกิริยาเป็นชีวิตที่เป็นกิริยาไม่เป็นกรรมไม่ใช่ไปะโนถนอมนั่งอยู่ในห้องในครับเดินไปไหนย่องย่องย่องย่องหลับตาไม่ดูอะไรต้องดูตาก็ื่ไปหลับ ต้องเดินไปข้างหน้าต้องเดินถอยกลับมาข้างหลังต้องไปข้างซ้ายต้องเหลียวมองข้างขวาต้องดูตามือก็ต้องใช้ทำประโยชน์ใช้มือละความชั่วใช้มือทำความดีใช้กายที่มีพลังช่วยอันอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นแก่ไปนั่งอยู่ปิดประตูในห้อง งานในการทำใช่กายให้ทำความดีใช่ใจให้ทำความดีไม่ใช่ไปหาในงานมีการทำความดียิ่งพอเราอยู่ด้วยกันก็มีโอกาสได้ทำความดีต่อกันเห็นหน้าเห็นตากันช่วยเหลือคิดอะไรเป็นความดี เห็นหน้ากันก็มีเมตตาต่อกันแล้วถ้าอยู่คนเดียวจะไปเห็นอะไรที่มันจะสร้างเมตตาสร้างก็เลื่อนๆลอยๆไม่เป็นจริงแต่มีความเมตตาจริงๆต้องใช่เห็นเดินไปก็โอ้คนนั่นจับโน่นเราต้องช่วยหน่อยให้ขอเสนอตัวช่วยสักหน่อยเมตตาแสดงเันที่ไม่ใช่อยู่คนเดียว บางทีเห็นอะไรที่มันจะต้องช่วยในโอกาสเพราะตามันเห็นหูมันได้ยินกายเมกําำลังใจเมกํกำลังได้ใช้กำลังของกายได้ใช้กำลังของใจทำความดีเพราะตามันเห็นหูมันได้ยินถ้าถึงข่าวอดทนก็ได้อดทนตามันเห็นหูมันได้ยินวันเนทาสนเสริญได้ยินได้เห็นได้ทาเดยสมบูรณ ไปนั่งหลับตาหลับอย่ในห้องไหนหับอยู่ในป่าในดงเดินไปเดินมานี่แหละพวกเราเอาร่วมกันทำวัาว้ทวทาทํามเจนสั่งทำทํามหารปรุงอาหารบินทหบาตสั่งถ้วยร่างชา ม, อมยอมกันยอมฟังกันคารบกันทำระเบียบเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วระเบียบ ระเบียบวินัยมันมีอยู่แล้วเราได้ได้อา น, นิสง์มามีมาก่อนไม่ต้องมาสร้างสะดวกสบายโยมก็นั่งอยู่ที่นั่นพี่ก็นั่งอยู่ที่นั่นสำเนลีภิกษุณีพระสงฆ์นั่งอยู่ที่นี่พเราก็กราบก็ไหว้กันเี่มันเป็นระเบียบมาแล้วเป็นทุนมาแล้วทุนแห่งความดี มาแล้วจนมาถึงมานั่งอยู่ยนนี่มายกมือสร้างใจว่าโอ้มันมีทุนมาทุกชีวิตนะในศรัทธาในความเชื่อมาถึงกับผมมาจากนน่นกรุงเทพมาจากต่างประเทศก็มีนะมันมีทุนมาเท่งงานเท่งการมามันมีทุนมีศรัทธามาเนีย ไได้ไปใส่โซ่ใส่ตรวนอยู่ที่ไหนนี่คือของจริงเราจะไปกังวลเรื่องอะไรมาทำความดีไปกลัวอะไรรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยวลามันหลงก็สนุกแล้วจะได้เห็นอะไรต่างๆจะได้เห็นความหลงจะได้เห็นความสุขจะได้เห็นความทุกข์เห็นกาย เห็นเวทนาเร่องความสุขคนทุกข์ <c oughs> ให้มันเห็นประเชิญหน้ากันจริงจริมันพุทออกป่าเห็นต่อหน้าต่อตาจะเอกันมันสุขขนาดไหนมันทุกข์ขนาดไหนแล้วมีสติไปไปเชิญหน้ากับความสุขความทุกข์ของกาย มันใหญ่ขนาดไหนเทียบไหลมันดู้อย่าเพิ่งไปด่วนรับอย่าเพิ่งไปด่วนปฏิเสธอะไรที่มันโผล่หน้ามาอย่าไปกลัวอย่าไปกล้าอย่าไปชอบอย่าเพิ่งไปไม่ชอบอย่าเพิ่งด่วนไปสุขอย่าเพิ่งด่วนไปทุกข์เห็นให้เห็นก่อนรู้ก่อนให้สติได้สัมผัสดูดก่อนใช่สติรู้ เป็นบังเกอร์รับไหวก่อนรู้สึกตัวก่อนอย่างนี้เรียกว่าบทเรียนประสบการณ์จากการศึกษาบางครงจะได้คําตอบที่แม่นยําชัดเจนเห็นเวทนาเห็นจิตที่มันคิดโอ้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรความคิดมันขนาดไหนมันหอบมันเหี่วเราอย่างไรผักใสไล่ส่งเราอย่างไร มีสติเข้าไปเทียบไหลดูบางทีอาจจะสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยังมีเวลารอได้คอยได้บางทีก็แพ้ความคิดบางคนนักปฏิบัติสองพ่อก็เคยแพ้มันหลังเลยใจเฉยๆเฉยๆเหมื อ, น, อนกันเฮ้เรามาทำยังไงเนี่ยลูกเราก็มี แม่เราก็มีพ่อแม่เราก็มเมยพี่น้องก็เมยงานงานเราก็ไม่มาทำอย่างนี้มันจะไงเนี่ยมันยังไงเนี่ยมันก็หวั่นไหวเหมือนกันพ อ, อมาลู่สึกตัว เ, ออเราไม่ใช่มาเอาความคิดเรามาสร้างสติเรื่องคิดที่จะถึงลูกถึงเพียถึงครอบครัวนั่นเป็นเรื่องหนึ่งเอามาเนี่มาเจริญสติลู่สึกตัว อ, อมันก็เห็นความคิดมันก็ลู่สึกตัว Blue ในขณะที่มันเห็นความคิดในขณะที่มันคิดมันเกิดความรู้สึกตัวในขณะที่มันสุกมันทุกข์มันเกิดความรู้สึกตัวในขณะที่มันง่วงเหงาหอนอนไม่อะไรมันรู้สึกตัวอย่างนี้สิคขาบอกตัวเองมันต้องอย่างนี้สิแต่ไปคิดถึงบ้านถึงช่องอะไรแลไม่ใช่มานั่งคิดเอาเหตุเอาผลอะไรทาไมเดินอยู่ใต้ต้นขายขี้หมูก็บอกตัวเอง บอว่เ า, าเดินอยู่นี่ลูสึกตัวอยู่นี่เทกเก้าอยู่นี่จัดสรรเข้าไปมาเดินคิดอยู่มันจะมีประโยชน์อะไรมันได้อะไรเพ้ฝันไรเฉยๆแม่เจยมันจำเป็นจะต้องคิดมันก็ไม่จาเป็นที่ต้องคิดเวลานี่ต้องจำเป็นการเดินปัจจุบันนี้เราเดินลู่สึกตัวลู่สึกตัวอ่ก็ต้องสอนอย่างนี้ต้องสู้บ้าง ต้องสัมผัสดูบ้างในพลังต้องขับงัดไวบ้ากไม่ใช่จะคล้อยตามทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้น จ, จะเป็นนักปฏิบัติต้องโต้ตอบทักท้วงดูตรวจสอบดูทางนี้นะมันก็เห็นเหมือ น, นกันนั่นละปฏิบัติถ้าจเจริญสติ เห็นเหมือนกันไปทางเดียวกันพระพุทธเจ้าก็เดินไปทางนี่แหละพระทีก็กลัวตายเจ็บใข้ได้ป่วยพระเจ้าก็อาจจะว่าเวกวัพวกเราพวกเราอยู่นี่มีรถโยนต้องสองคันรถคนตุ่มอย่างหนึ่งรถหลงพ่อคันหนึ่งนะพระพุทธเจ้าไม่มีรถสักคันเลยจากกุฏิกยา ไปในเมืองพุทธคยาปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ใช่ใกล้นะไกลัว่จากที่ไปชฉยๆคนไม่มีรถสักคันเลยฮะพวกเราจะไปกลัวอะไรอันนี้ก็ไม่ใช่อยู่ลำพังชีวิตเดียวพวกเราก็ลาลาหลายหลาอคนไปวันไวรไรไปคชื่ออะไรไปหอบอะไรมาพระลงพลังมหาปฏิบัต มารู้สึกตัวเอาไว้ก่อนเอาตื่นเอาไว้ก่อนเว ล, ลานี่มาสร้างสติก่อนหนึ่งวันเจ็ดวันสิบวันยี่สิบวันมาทํานี่ก่อนอแต่ต้องมีการวาดอะไรให้มันแ บ, แบ่งแบ่งปันปันคิดๆนั้ง้อยู่เอามาให้เกิดความเพียนตรงนี้ให้เกิดสร้างสติตรงนี้อันนี้นะปฏิบัติมันจึงจะเป็นนักปฏิบัติเต็มตัวไม่ใช่เครื่องเครืกลางๆ ไม่ใช่ทำแบบทดลองดูทดลองดูก่อนถ้าดีก็เอาถ้าไม่ดีก็ไม่เอาโอ้อย่างนั้นมันไม่ใช่อะไรดีอะไรไม่ดีต้องเห็นแล้วต้องทำเห็นไม่ดีก็จะเอาไม่ดีกลับไปโอ้ยไม่ดีไม่ดีได้กว่าไม่ดีกลับไปโอ้ยไม่ชอบไม่ชอบกได้ความไม่ชอบกลับไปอ่แท้มันหลอกตัวเอง เราต้องทำต้องทำต้องทำเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันชอบก็เห็นวันจะเอาความชอบไปมันก็ไม่ใช่เห็นความชอบเห็นความไม่ชอบเราเกิดการพบเห็นที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราตัวเราเป็นหลักอันอื่นเป็นหลองของโลคความโกรธ ค, ความหลงคนอื่น ที่เป็นคําแสดงออกกิยมรยาคําพูดเป็นรองตัวเราต้องเป็นหลักถ้าเราไม่แก้หลักตรงนี้อันใดแก้ลองสมัยก่อเหตุแก่ทรายก็ไม่หมดต้องมีหลักของเราเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้ปฏิบัตินะเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเป็นเรื่องของเราเรื่องคนอื่นให้เป็นเรื่องของเราบัณฑิตย่มองตนคนผ่านมองออกไปข้างนอก บันดิตมองตนนักปฏิบัติทำมันจะเป็นบันดิตมองตนเอ้ะอะไรก็มองมาที่ตัวเรารู้สึกตัวการมองตนรู้สึกตัวรู้สึกตัวสร้างไม่มีก็สร้างให้มันเมยจะไปใช่อะไรถ้าเราเไม่มีถ้าไม่มีเราก็ต้องสร้างก่อน บางทีก็ถนอมแต่บังไปใช่มันชวนให้ใช่เหมือนกันนะโูนนอนดนนี่บางทีก็เกิดลู้นอนลู้นี่ไปกลา้เป็นจินตยานแต่ได้จินตยานได้วิปัสโนไปคิดเก่งพูดเก่งคิดเนี่ยโอ้เยี่ยมเลยก็ <c oughs> ได้ของปลอมต้องสัมผัส สัมผัสกับมือเราสัมผัสกับใจเราสัมผัสกับกายเราได้ทำลงไปได้ทำแล้วทำแล้วได้เห็นได้ทำแล้วทำได้แล้วเห็นอะไรเห็นมันหลง <c oughs> <c oughs> เห็นมันหลงได้ทำกับความหลงทำความหลงสบไปแล้วเห็นทุก ได้ทํากับความทุกข์ความทุกข์จบไปแล้วเห็นความโกรธได้ทํากับความโกรธความโกรธจบไปแล้วเห็นความรักความชังเห็นความยินดียินร้ายได้ทําแล้วอต่นี้สิไม่จึงจะเป็นนักปฏิบัติสร้างความรู้ได้สร้างความรู้เวลามันหลงได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้นั่าสนับสมบูรณ์แบบ สมุนแบบได้ปฏิบัติอย่างดีแล้วทําหน้าที่อย่างดีได้ทาอย่างดีแล้วให้มันเชื่อฝีมือตัวเองอย่างนี้ทำอะไรมันต้องมีฝีมือล่างถ้วยก็มีฝีมือให้มันสะอาดซักผ้าก็มีฝีมือขวดบ้านมีฝีมือถ้าใครมาถามโอ้ยทำแล้วอย่างสบายพูดอย่างสบายอ่า เปราแขกมาไปล้างห้องน้ำถ้าเห็นแขกเข้าไปทีหลังเราสบายแล้วเราทำเรียบร้อยแล้วถ้าเรายังไม่ทำด้วยมือของเราอะไรล่ะมันก็จะต้องมกพล่องการปฏิบัติทำเนี่ยได้เห็นกับตาได้ทำกับมือได้ทำแล้วแล้วทำได้ด้วยตัวปฏิบัติทำได้ทุกอย่าง อันเกี่ยวกับกายกับใจถ้าเป็นสติเกี่ยวกับกายกับใจเฉลยได้ทุกอย่างแต่นอกจากนี้ก็ไม่ต้องไปเฉลยไม่เฉลยที่ตัวเราหลักมันอยู่ตรงนี้จุดมันก็อยู่ตรงนี้จำเลยมันก็อยู่ตรงนี้เหตุก็อยู่ตรงนี้ผลก็อยู่ตรงนี้ไม่ตัวปฏิบัตินะมันเป็นตัวกรรมมันเป็นการกระทา ทำดีกว่าทำดีจริงๆทำช่วกว่าละจริงๆโองไม่มีอะไรที่จะไปะเสดเท่ากับปฏิบัติธรรมหรอกเราเลือกได้แล้วมาเลือกกันเถอะพวกเรามาเลือกเอาชีวิตแบบนี้กันให้รู้สุดตัวรู้สุดตัวนะแล้วก็ไม่ใช่ให้มาอยู่ที่นี่หรอก <c oughs> กลับไปบ้าน ไม่กลับไปก็อยู่ที่นี่ด้วยกันไปเผยแผ่ม่นานเยอะแยะเลยนะคนที่ทํางานเรื่องนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนแม้คนไม่ต้องการก็หางานทำพวกเราต้องหางานทำต้องไปจะละท่าพิชเก๋ไปไปไปไ ป, ไปช่วยกันเพื่อประโยชน์เพื่อคุณต่อมหาชนเพื่อความสุขของโลก <c oughs> มันนี่หลวงพ่อก็จะไปนอไปจังหวัดชนบุรีแันจันสงสินทั น, นโนดสามลูกเขาก็ไปส่งเพื่อนเฉยๆเราก็จะกลับมากรุ่นี่ก็กลับมาถ้าไม่ไปก็ไม่ดีไปทักหน่อยก็อยากไปใจมันยังอยากแม่เท่าแม่แก่มันก็อยากไปฮะมันสัตว์มันยังไม่ยอมแก่นะ มันก็ยังไปอยู่มันก็มันก็ทำได้อยู่นะไปเราก็ไปนั่งเทศได้สบายเลยไม่ใช่ไปนอนโซมเนาะถ้านอนโซมก็ไม่ไปหรอเอ้าไปจะเขาเอารถคนทุ่มไปเออวันนั่งสะดวกสบายมั่นใจปลอดภัยสูงรถรถขาวก็แก่เท่าแล้วไม่มั่นใจฮถ้าไปที่เวลาจำกัด เรลดไปเสียกลางทางก็เสียเวลาเพราะวันที่เก้าหราือตรงมาโรงพยาบาลชัยภูมิไปทำบุญร่วมกับคณะแพทย์คณะหมอพยาบาลร่วมกันเพราเราก็ไปทั้งหมดเก้าลูกไปไปโรงพยาบาลสุกโตหกโคเขาทองสาม มันก็ต้องพร้อมเหมือนกันนะพวกเรานะเวลานั่งก็นั่งเสมอกันดูเข่าดูหงวเขา่เขาให้เสมอกันแถวตรงหน้าอกตรงคอตรงเวลาปนมมือก็ให้ได้อันเดียวกันให้ได้ฉากสี่พันองศาให้ได้ฉากอมือก็ได้ฉากไหลคอได้ฉากหัวเข่าได้ฉาก อ่าคนั่งกั้งหลังก็พับพับขาเข้ามาข้างในเอาคนั่งปลายแถวทางโน่นก็พับขามาข้างในอย่าให้เขาเห็นฝ่าเท้าคนั่งอยู่ข้างหัวแถวก็พับขาเข้ามาข้างในอ่าเวลาให้พรเวลาสวดมนต์จบพอโทรศัพท์รีบเก็บได้สายศินให้ทันเวลาสัพสังฆานุภาไวนะ สทโสธิปวันตุเตให้สายสินถึงพระประานถึงหัวหน้าพระประธานได้วางสายสินลงพร้อมกันกับพผาวตุเตจะไปเคลื่อนเส้อ่อนแอโงกโงกเนื่องเนื่องเลยเพิกพักไวจับปัจับปันจับปันไวปุ๊บมาไม่ได้ต้องไปดูอยู่หเห็นในระเบียบ มีแบบฉบับการทำอะไรไม่คือไม่แปรในความคล่องในความเป็นระเบียบเรียบร้อยผมผ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ชาวนาเขยา่าเพื่อทำให้เขาดูเพื่ออยู่ให้เขาเห็นเพื่อจะพูดให้เขาฟัง การเผยแผ่ทำไม่ได้เทศสะกรอนตะคำก็สร้างศรัทธาได้เราก็ไม่โอกาสไปเพราฉะนั้นวกเรา <c oughs> ก็ใคจะไปจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของคนเราจะปฏิบัติธรรมใครอยู่ก็ช่วยเราไม่ได้สุขก็ทำเราเองทุกข์ก็ทำเราเอง ถ้าดีก็ทำเองใครก็ดีกับเราไม่ได้แต่ชั่วเราก็ชั่วคนเดียวคนอื่นจะชั่วกับเราไม่ได้เราหลงก็หลงคนเดียวคนอื่นจะหลงกับเราไม่ได้เราต้องมั่นใจต้องแค่ไขตัวเองต้องสร้างสติเอาเองเห็นอะไรก็เปลี่ยนเราเองอมันมมีอะไรที่ทาให้เราได้ประสบการ์บทเรียนเยอะแยะการปฏิบัติธรรมไม่นานในการทำนะไม่มีอะไรก็สร้างสติเลื่อยลู่เื่อยไป เราเมื่อเกิดความร้องก็เลยเปลี่ยนความร้องเป็นความรู้ื่อยไปเราเมื่เกิดความทุกข์ก็เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ื่อยไปเรามันอม่วงก็เปลี่ยนความง่วงให้เป็นการสดชื่นเรื่อยไปถ้ามันลังเลยสงสัยก็เปลี่ยนความละเลยสงสัยให้กลับมาสร้างสติเรื่อยไปไปสงสัยอะไรเสียเวลาเ <c oughs> น, นี่งานเรามีเรามีงานมีการเรามีหน้าที่ปฏิบัติธรรมอ๋อ ช่วยกันพวกเราช่วยกันสร้างเป็นสิ่งเวทล้อมให้กันละกันก็เอาลนะเนาะวันนี้ก็พูดกันเท่านี้ก่อนแล้วเราก็กราบพระพร้อมกันอะ <c oughs> ระหังสัมมาสัม พ, พุทธ佛กวาอุทังสกภวันตังอภิวาเท สวากาโตภะคะวะทัมโมทามังนมะสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสังฆนมะ